พระสุตันตปิดกคุธการนิกายขัคคาวิสานสูตรที่สามข้อสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า บ, บุคคลวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่เบียดเบียนบรรดาสัตว์เหล่านั้นแม้ผู้ใดผู้หนึ่งให้ลำบากไม่เพ่งปรารถนาบุตรจะเพ่งปรารถนาสหายแต่ที่ไหน ถึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้นอันนี้เป็นคาถาที่ครั้งแรกพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าท่านกล่าวครั้งที่สองพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระนอนลฟังครั้งที่สมพระน์นกล่าวเมื่อคราวทำสังขยนาเนี่ยนะในอัตถคถากล่าวถึงเหตุเกิดของพระสูตรตังต่อไปว่าพระสูตรทั้งปวงเนี่ยนะมีเหตุให้เกิดขึ้นอยู่สประการ 4ประการนั้นเช่นว่าบางสูตรเกิดเพราะอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าบางสูตรก็เกิดอัธยาศัยของคนอื่นบางสูตรก็เกิดเพราะเรื่องที่มีขึ้นคือมีเรื่องราวบางสูตรก็มีเพราะคําถามอย่างสูตรทั้งหลายมีทวยตานุปัสนาสูตรการตามเห็นโดยส่วนสองเนี่ยนะสูตรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีอัธยาศัยของพระองค์เป็นเหตุ นะเพราะอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแสดงพระสูตรมีทวา ย, ยตานุปสนาสูตรเป็นต้นนะบางสูตรก็เพราะอัธยาศัยของผู้อื่นนะอัธยาศัยของผู้ฟังเช่นพระสูตรทั้งหลายมีเมตตาสูตรเป็นต้นบางพระสูตรนะเพราะอศาศัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นอุรคสูตรสูตรแรกที่เราเรียนผ่านไป สูตรนั้นก็มีอาศัยเรื่องราวเกิดขึ้นคือเรื่องพระพิสูตตัดต้นไม้อย่างสูตรทั้งหลายมีวัมมิกสูตรเป็นต้นเนี่ยมีเพราะอุบัติแห่งอำนาจคําถามวัมมิกสูตรสูตรว่าด้วยจอมปลวกที่พระกุมารกัสสะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าในพระสูตรเหล่านั้นค้าววิสานาสูตรมีอุบัติเพราะอำนาจแห่งคําถามคือทุกสูตรนี้เกิดเพราะคําถามโดยไม่แปลกกัน แต่ที่มันแปลกกันกับพราะว่าในคัคคาวิสานสูตรนี้บางคาถาพระปจเจกพรพุทธเจ้านั้นนนั้นถูกถามแล้วจึงกล่าวบางคาถามไม่ถูกถามแต่ก็เป่งอุทานอันสมควรแก่นิยะที่ตนสักว่าบรรลุแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคาถามีอุบัติเพราะอำนาจคําถามคาถาบางคาถามีอุบัติเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นบางคาถามีอุบัติเพราะอัธยาศัยของตน ในอุบัติเหล่านั้นอุบัติเพราะอำนาจแห่งคําถามโดยไม่แปลกกันนี้พึงทราบอย่างนี้จําเดิมแต่ต้นคือเรื่องราวเนี่ยนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเอาค้าวิสานสูตรพระสูตรที่เปรียบเหมือนหน่อแรกมาแสดงนั้นมีเรื่องเป็นอย่างไรในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลท่านพระนนผู้มีอายุไปในที่ลับ หลีเลนอยู่ก็ได้เกิดความพริวิตตกขึ้นในใจอย่างนี้ว่าความปรารถนาและอภินิหารย่อมปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายหาปรากฏแก่พระสาวกทั้งหลายแก่พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนั้นไม่ฉ น, นัหนอเราพึงเข้าไปเฝ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าดูตามเรื่องเนี่ยท่านบอกว่าพระอา น, นุ์ผู้มีอายุ อายสัมาศัพท์มาจากคําว่าอายสัมานีไม่ใช่อวุโสถ้าอายสัมาใช้กับผู้ใดผู้นั้นแสดงว่าเป็นอาจารย์ใหญ่มากเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่สมัยนั้นเขาเคารพนับถือเข้าบูชาอย่างแท้จริงอย่างเช่นอายสัมาสารีบุตรก็คือพระสารีบุทผู้มีอายุหรือว่าอายสัมา อ, อนนล์เนี่ย อ, อนนล์พระออนล์ผู้มีอายุอันนี้ก็แปลว่าในฐานะที่ท่านเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นครู เป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นผู้ที่เขาเคารพถ้าสมัยนี้ก็แบบท่านนำหน้าท่านนั้นท่านนี้นะเป็นท่านที่แบบเขาเคารพมากเขาเขาเานับถือจริงๆเลยทีนี้ท่านอยู่ๆท่านก็มาคิดว่าความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหลายก็ปรากฏคือเรื่องการปรารถนาของพระพุทธเจ้านี้ก็มีปรากฏใช่ไหมเช่นในเรื่องอะไร พุทธวงศาริยาปิฎกเรื่องเหล่านี้มีอยู่แล้วทําให้เห็นความปรารถนาการปฏิบัติการสร้างบารมีเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ของพระปัเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พบเลยว่าพระประเจกเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาสร้างบุญญาบารมีอย่างไรจึงได้เป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้า พ, พระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบทพระโมกขลานะก็เหมือนกันไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะ ตั้งความปรารถนาอย่างไรสร้างบุญอย่างไรจึงได้บรรลุเป็นพระสาวกพระนนทนี้พอท่านออกจากที่หลีเกเรน้นคือท่านท่านอยู่เงี ย, งยบๆแล้วก็คิดเรื่องนี้ขึ้นท่านออกจากที่หลีเกเรน้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กราบทูลเรื่องนี้ตามลำดับนะว่าความปรารถนาอภินิหารของพระพุทธเจ้านี้ได้ยินได้ฟังรู้แล้วพอเข้าใจพระองค์เคยตรัสเล่า แต่ความปรารถนาอภินิหารของพระประเจดของพระภูตของพระสาวกทั้งหลายไม่ปรากฏเลย น, นะก็ปรารถนาที่จะรู้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสปุพพโยคาวจรสูตรแก่ท่านพระนลปุพพโยคาวจรสูตรแปลว่าสูตรที่พระโยคาวจรได้เคยปฏิบัติมาก่อนหรือสูตรที่ว่าคนที่ผ่านการปฏิบัติมาเป็นอย่างนี้ ปฏิบัติสมถะวิปัสนามาเป็นอย่างดีซึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนอนอันนี้สองห้าประการเหล่านี้คื อ, อนะบุคคลย่อมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมเพราะปุกพระโยคาวจรก่อนทีเดียวหมายคือว่าถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนอย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในสมถะและวิปัสนาอรหัตผลในปัจจุบันนี้แน่นอน แต่ถ้าไม่ได้บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันก่อนทีเดียวต่อมาเขาก็จะบรรลุอรหัตผลในเวลาก่อนตายเอาถ้าก่อนตายแล้วไม่บรรลุอีกล่ะไปเกิดในสวรรค์ได้อุตุสปายะหลายๆอย่างสปายะในสวรรค์ก็เป็นเทวดาก็บรรลุเลยทีนี้ถามว่าถ้าเป็นเทวดาแล้วยังไม่บรรลุอีกถ้าลงมาในสมัยมีพระพุทธศาสนาเขาก็จะบรรลุได้ขีปนาภิญญาบุคคล ตรัสรู้ได้เร็วพลันแม้กระทั่งเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเขาย่อมเป็นพระประเจรคพระพุทธเจ้าในภายหลังอันนี้ก็คืออา น, นิสงส์งของการปฏิบัติในสมถะและวิปัสสนาเป็นอย่างดีหวังผลได้เลยข้อหนึ่งสามารถบรรลุอรหัตผลในชาตินี้นะขอให้ปฏิบัติจริงเถอะสองถ้าไม่ได้บรรลุอรหัตผลตอนเนี้ตอนเป็นหนุ่มเป็นอะไรเนี่ยก็นหนักเกือบตายเนี่ยนะ ถ้าตายบรรลุไม่ได้แล้วล่ะแต่พูดถต่ว่าก่อนเกือบตายเนี่ยบรรลุเลยถามว่าถ้าเกือบตายยังไม่บรรลุอีกเป็นเทวดาก็บรรลุบรรลุโน่น่ะเป็นเทวดาสบายเพราะได้อุตสปายะเป็นต้นเนี่ยนะบรรลุเลยเอาถามว่าถ้าอยู่เป็นเทวดาแล้วยังไม่ได้บรรลุอีกล่ะก็สมัยพุทธกาลสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ก็บรรลุเร็วบรรลุเร็วเหมือนพระพาหิยะยเป็นต้น ถามว่าถ้าไม่มีพระาศาสนาเลยล่ะเป็นยังไงจะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพันการอบรมสมถาวิปัสนาเนี่ยนะตอนเจริญบรรลุไม่บรรลุไม่สำคัญสําคัญที่ว่าสร้างเหตุเอาไว้ไหมถ้าสร้างเหตุเอาไว้ไม่น่ากลัวไม่น่าหนักใจเลยใช่ไหมพระองค์ก็แบบแบ่งเวลาไปเรื่อยๆขอให้สั่งสมบุญไว้ให้ดีเถอะถ้าสั่งสมไว้ดีเนี่ยมันพร้อมที่จะบรรลุได้หมดอ่ะ ถ้ามีเชื้อนะถ้ามีเชื้อพอที่จะตรัสรู้มีอุปนิสัยมีอัธยาศัยมีบุญมีบารมีสร้างไว้เถอะบรรลุแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทําอะไรเลยขอแต่บรรลุอย่างเดียวนี่ก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าสมควรหรือไม่ครั้นพระองตรัสอย่างนี้แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าอานุนธรรมดาพระประเจกับพะพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอภินิหารคือสมบูรณ์ด้วยการตั้งความปรารถนา มีปุกพระโยคาวจรธรรมมีการสร้างบุญบารมีมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าและพระสาวกพึงตั้งความพึงประสงหรือพึงตั้งความปรารถนาและอภินิหารเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดปรารถนาตำแหน่งจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามปรารถนาเป็นพระปเจกพุทธเจ้าก็ตามปรารถนาเป็นพุทธสาวกเช่นพระอ克拉สาวกก็ตามพึงตั้งความปรารถนา ให้ตั้งความปรารถนาก่อนเท่ากับคำสั่งเลยใช่ให้ตั้งความปรารถนานะไม่ใช่ว่าตำแหน่งตาแหน่งจับฉลากกันได้ไม่ใช่อ่ะนะต ำ, น أ, ตำแหน่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากการจับฉลากานะพระสารีบุตรพระโมคขลานะก็ไม่ได้เกิดจากการจับฉลากแม้อยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งพระสารีบุตรพระโมคขลานะว่าเป็นอักระสาวกเนี่ยนะเข า, ๆๆามีบางกลุ่มตามหนิว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่หน้า ไม่ได้แต่งตั้งตามลําดับที่ควรจะเป็นก็บอกว่าทําไมไม่แต่งตั้งพระอั ญ, ญยกัญญากณทัญญะล่ะท่านมนรรลุคนแรกอบอกถ้าไม่ตั้งพระอัญญากณทัญยะก็บวบปะมหานามาภัติยะอัศชีสิถ้าไมแต่งตั้งท่านเหล่านั้นทำไมไม่แต่งตั้งพัทธวัคคีทั้งสามสิบไม่แต่งตั้งพัทธวัคคีแล้วทําไมชดินสามพี่น้องบริวารทั้งพันหนึ่งน่าจะเอาองค์ใดองค์หนึ่งหรือสององค์มาตั้ง อ, ะอ่ะนะ ทำไมทำไมมาแต่งตั้งภาษารรบุตรเห็นแก่ว่าภาษาเรบุตรพระมกคาลานะมียศมีชาติมีตระกูลมีคนนับหน้าถือตาเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือเห็นแก่หน้านี่ก็เลยแต่งตั้งนะพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเนี่ยนะนะเพราะพระัญญาโกณธัญยะเป็นต้นไล่ไปเรื่อยท่านเหล่านั้นไม่มีใครตั้งทําบุญตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกเลยท่านเหล่านั้นสังสมเช่นพระ อัญญาโกณธัญญาก็ตั้งความปรารถนาเป็นรัตตันยูตรัสรุกนเพื่อนพระอัศชีเป็นต้นก็ตั้งความปรารถนาขอให้สำเร็จอรหัตผลเท่านั้นเองแม้แต่ยศกุลบุตรก็ตั้งความปรารถนาก็ได้สมความปรารถนากันหมดแล้วสาริบุตรกับโมฆลานะท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นอัคระสาวกเป็นต้นนะนะ นี่ก็พันต้องตั้งความปรารถนานะจึงจะได้บางันแปลว่าไม่ได้เกิดจากการจับฉลากอะไรเนี่ยนะแต่งตั้งตามเหตุในอดีต ท, ท่านพระนนท์ก็ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรจะใช้เวลานา น, านสักเท่าไหร่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนอน์ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรนานโดยกําหนดอย่างต่ําที่สุดนับตั้งแต่วัน วันได้รับพุทธภย์เนี่ยนะสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างกลาง 8. อสงไขยเศษอีกแสนกับอย่างสูงสิอสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีสามประเภทสามประเภทนั้นรู้ด้วยอานาจของพระพุทธเจ้าที่สี่อสงไขยแสนกับผู้ปัญญาที่กักยิ่งด้วยปัญญานนะ แอสงไขแสนกับผู้ศรัทธาธิกะยิ่งด้วยศรัทธา16อาสงไขแสนกับว่าผู้ยิ่งด้วยวิรยิยะจริงอยู่พระพุทธเจ้าผู้ปัญญาที่กะมีศรัทธาน้อยแต่มีปัญญามาก น, นะคือตัวปัญญาเนี่ยนะคนที่ทําอะไรด้วยปัญญานี่ใช้เวลาไม่นาน น, นะทุกทุกเรื่องของคนที่ทําด้วยปัญญาเนี่ยนะโดยมากทําอะไรไม่นานแป๊บเดียวก็สําเร็จแล้ว พระพุทธเจ้าผู้เป็นปัญญาทิกะเนี่ยจึงสำเร็จโดยระยะเวลาสี่อสงไขยเศษอีกแสนกับนี่ยังเร็วที่สุดแล้วนะผู้ศรัทธาทิกะมีปัญญาปานกลางแต่มีศรัทธามากนะคนที่เลื่อมใสามากแต่ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ใช้เวลาเพิ่มอีกเท่าตัวคืออีกอนะไรเท่าไรจากสี่ก็เป็นแปดเนี่ยนะก็แปดอสงไขย ส่วนวิริยะที่กะศรัทธาไม่มากปัญญาก็ไม่มากแต่กขยันมากทำได้ทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะพวกนี้ก็ใช้เวลาสูงสุดเนี่ยนะอีกเท่าตัวของผู้ที่มีศรัทธาก็คือจากแดก็เป็นสิบอสงไขยเศรอีกแสนกลับเนี่ยนะอุ้ยนานจังเลยนานไหมพวกที่ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยนะก็ทนทนทนไม่รู้กี่ล้านอสงไขยแล้วก็อยู่ได้ตามเดิมเนี่ยนะ มันอย่าไปคิดว่าคนที่ตั้งความปรารถนามันนานเกินไปอย่า ง, งนางงั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นานอะไรหรอกถ้าเทียบกับคนที่เขาเฝ้วาวัดต่าเนี่ยนะไม่ได้ตั้งความปรารถนาพราะพุทธเจ้าตรัสรู้กี่ล้านองค์ตัวเองก็อยู่เหมือนเดิมนี่แหละนะเขไม่เห็นว่ามันบน่นมันนานอะไรเนี่ยนะทีนี้ในสี่อสองไขยแสนกับ8อสองไขยแสนกับ16อสองไขยแสนกับเนี่ยนะถ้าใครที่ตั้งความปรารถนาบอกว่าจะให้ทานเหมือนกับพระเวสสันดร บอกว่าจะเร่งเร่งเรงเร่งอยากอยให้มันบรรลุผลเร็วเรๆวเ ว, เ ว, เ ว, เวเนี่ยนะก็เลยให้ทานเช่นกับทานของพระเวสสันดรทุกๆวันสั่งสมบัติรรมีบัมีศีลเป็นต้นให้สมควรแก่ญาณ น, นั้นก็ดีให้ทานเนี่ยให้อย่างพระเวสสันดรทุกวันทุกวันรักษาศีลเอาเป็นเอาตายเลยนะถ้ายังไม่ครบสี่อสงไขยแสนกลับแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าในระหว่างนั่นไม่ใช่เหตุฐานะที่จะมีได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้หรอก ถ้าไม่ครบสี่อสงไขแสนกับเพราะอะไรเพราะยานยังไม่ตั้งท้องยานยังไม่ถึงความไยบู์ยังไม่ถึงความแก่รอบ